ซี ท, ญญทัมาบรรยายจุดฟันตีไยได้สักทุกทีโดย ร, รับรองกุณาพรอ อ, ออปยุโตวัดยานเวศสกวรรณตำบลบางกระทึกอํเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่10หาความสุขไม่เป็นจะเหมือนเช่นสุนัขคาบเนื้อจะเอาเงาในาน้ําสุขที่มีก็หมดสุขที่ไหไายก็ละลายบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษาพุทธศักราช2539มาคุยกันต่อในเรื่องความสุข เรความสุขว่าถึงหลักการทั่วๆไปแล้วทีนี้ก็มาดูเรื่องความสุขที่จะมีได้ตามหลักการของพุทธศาสนาเป็นประเภทเป็นระดับสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์แต่หมายถึงมนุษย์ที่มีการคิดพัฒนาตนด้วยว่ามันมีการพัฒนาชีวิตขึ้นไปแล้วเราจะสามารถมีความสุขเพิ่มขึ้นก็มาดูว่าชีวิตมนุษย์ทั่วๆไปนี้มีความสุขกันยังไงก็ดูที่การดำเนินชีวิตของเขามนุษย์เกิดมานี่เป็นอยู่อย่างไรบ้างชีวิตของมนุษย์ที่เป็นอยู่แต่ละขณะแต่ละเวลาประจํำวันก็เป็นเรื่องของสิ่งธรรมดาสามัญมน เรื่องตตายมันก็เป็นธรรมชาติส่หนึ่งเกิดมาตามกฎธรรมดาธรรมชาติอยู่ร่วมกับธรรมชาติตั้งแต่มนุษย์ยังไม่ได้เจริญยังไม่สร้างสรรค์อารยธรรมเวลานั้นก็จะเห็นชัดเจนเกิดมาก็อยู่ทางกลางสิ่งไม่ล้องก็คือธรรมชาติทั้งมนุษย์เดยกันทั้งสิงสาราศัก ต, ต, ต้นไม้ภูเขาน้ำสายลมแสงแดดดินน้ำลมไฟเนี่ยนะก็อยู่กันไปชีวิตของเขานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้ที่มนุษย์มีชีวิตอยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้ความสูงความทุ้กของเขาสนหนึ่งก็มาเองด้ บางทีก็เปลี่ยนไปไม่เกิดกูบางทีก็ร้อนไปหนาวไปวาหาจากร้อนจกหนาวสบายกับมีความสุขนนะก็สุบมันเี่ยนเปลี่ยนไปแล้วก็ดูท่ากลาธรรมชาติก็ได้บรรยากาศบางทีเวลาต้องการสายลมสายลมพัดมาเย็นสบายกมีความสุขไปร้อนมามาเจอที่น้าได้อาบน้ชาชำระากายกับมีความสุขหรือว่าไปอยู่ท่ากลางหมู่ต้นไม้นะไปเห็นภูเขาวิวดีๆก็สวยงา ม, มีความสุขอะไรเงี้ย ม, มันก็มีมาแตะทังมนุษย์ปัจจุบันในชีวิตก็นกีธรรมชาติไปทนเราะนั้น ความไปดูความนุษยก็คือชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยตัวเองก็เป็นธรรมชาติด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและสุทของเขาก็มานแหล่งทั้คันนันนี้แหล่งที่1ก็คือธรรมชาติเป็นลัอันที่นี้ต่อไป2องะไรสมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เครับอ่ามนุษย์เป็นมนุษย์ก็เกิดมาก็อยู่กับมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์นี่มีลักษณะพิเศษที่เขาเรียกว่าเป็นสังคมไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกเป็นคณะความเป็นสังคมนี่ก็ทาให้มนุษย์นี่มาตั้งสร้างบ้านสร กาที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในหมู่มนุษย์เองนะเรื่องตั้งแต่ในครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีพี่น้องแล้วก็มีมิจฉาหนะมนุษย์ก็มีความสัมพันธ์ต่อการดีบางบ้่ดีบางกระทบกระทั่งบางเจอชอบใจบ้างเดี๋ชอบใจบ้างช่วยเหลือกันบ้างขัดแย้งกันบ้างเพราะนั้นมนุษย์ก็มีความสุขความทุกแรงสัาพัน์อีกอันหนึ่งก็คือขึ้นมนุษย์ด้วยกันนะความสัมพันธ์ในทางสังคมแต่ว่ามนุษย์ก็หวังในเมื่อตัวเองอยู่ก็ไม่อยากมีทุกอย่างมีสุขความสุ พระเจ้าก็ตัดไว้อย่างสุขาสังคสสาวัคคีอันนี้เป็นคาถาที่พุทธศาสนาบางคาถาก็ไม่ใช่พุทธภาษิตนีก็เอาพุทธภาษิตที่เป็นรอยแก้วแล้วมาเรียงเป็นรอยกรองบ่กมีแต่ก็รูปภาพก็คือว่าเคื่อนมนุษย์เยกันนี่แหละที่เป็นแหล่งสำคัญของความสุขความทุกข์ในกรณีนี้เราพูดถึงสุขก็แหล่งความสุขกคือคลื่นมนุษย์เดียกันสังคมและอะไรอีกล่ะนี่อีกอย่างนึงมนุษย์อยู่นี่เราอยู่นิ่งเฉยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็จริงอยู่ท่ามกลางคลื่นมนุษย์เดียวกันก็จริงแต่เวลาอยู่น มีควาต้องการขึ้นมาแล้วก็ไปทำทำตามความต้องการนั้นเพอทําได้สำเร็จตามความต้องการก็เกิดความสุขหรือในระหว่างที่ทํานั่นเองผลที่ต้องการมันก็ใกล้ขับมัทุกทีการที่เองเดินหน้าใกล้ความบรรลุจุดหมายที่ต้องการก็มีความสุขในทีหาก็ต้องทําทอะไรด้ยไม่ต้องการ จ, จําใจมีการบังคับทําไปกระทุกใช่ไหมแต่ว่าโดยปกติมนุษย์ก็จะทำในสิ่งที่ตนเองต้องการคือมีจุดมุ่งหมายไม่ไอยู่ดีๆก็ไปทำไปทำเพื่อจะดำเนินชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดได้ดีแล้วก็ได้ผลที่ต้องการเพราะนั้นเวลาทําอะไรก็ได้ความสุขจากการกระ สาล่งนีเป็นที่มาสำคัญแห่งสุขทุกของมนุษย์เาพูดในงแง่สุขป็สิที่ต้องการมนุษย์เียทุ ก, ก็เรียนทุกในการเป็นอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้และหวังสุขจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสมพลังนึ่งธรรมชาตินมเพมนุษย์ด้วยกันและสกิจกรรมชีวิตของเขาเนี่ยเป็นแหล่งที่มางความสุขินี้นอกจากนี้มนุษย์ก็จะมีการเสร็จจากความจเป็นของชีวิตที่ว่าจะต้องอาศัยปัจจัย4ท่้งกินอาหารเป็นต้นจากอันนี้มนุษย์ก็ได้สนองความต้องการก็มีความสุข แล้วทีนี้ในการเสพเช่นกินอาหารมันก็จะมีธรรมชาติที่ว่าได้รับความรู้สึกที่เราได้ก็เวทนาไปสุขเป็นผู้เฉยๆไม่ได้เสพรสอาหารเรืมีความสุขเรื่อจากความอ ร, อร่อยนียแล้วก็จะมีเรื่องหูจมูกลิ้นกายซึ่งว่าเมื่อมีสมัมผัสทางเหล่านั้นแล้วกเกิดเวทนาไปสุขแล้วก็ใจที่คิดถึงสิ่งที่ชอบที่ตัดทนันนอารมณ์ความจําที่ดีที่ตรงกับความต้องการความสุขอีกแ่งหนึ่งก็มาจากเรื่องนี้มาจากพูดง่ายๆว่า ก, การเสพการใช้อาจตะนา่าหรืออินทรีย์เสพรสสิ่ง ต, าตา่างๆซึ่งอันน แต่วชีวิตของเขาที่เป็นอยู่ตลอดเวลาก็3าอันแลแ้ลนะคือการอยู่ทตามธรรมชาติโดยทตัวเองเป็นชีวิตหนึ่งแล้กอยู่ตาสมสังคมตัวเองก็เป็นบุคคลหนึ่งแล้วตัวเองก็มีกิจกรรมชีวิตในการเป็นอยู่ของตัวเองก็โดยมีอการได้สุกจากการเสพนี่มาแทรกอยู่นี่ถ้าเราไปดูมนุษย์ในยุคโบราณ น, นี่นะอการเสพเนี่ย เ, เยาขาจะมีเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมมาแทรกแล้วก็ได้ความสุขไป็นค้างทําให้ได้ความตื่นเต้นพิเศษ ข, ขึ้นมานี่ต่อมามนุษย์จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าให้เรื่องสิ่งเสพเนี่ยซึ่งมัน แล้วก็ต้องการได้เสพไปบ่อยขึ้นเพราะดได้ความสุขจากรจากเวทนาแต่ความตืนเต้นที่มีให้มันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นตอนมาจุดเน้นนี่ก็มาอยู่ที่สิ่งเสพความสุขจากสิ่งเสพที่บุตาหูจมูกลิ้นกายรวมไปถึงใจโดยเฉพาะทางเข้ามาทางภายนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นายเนะความสุขประเภทนี้ท่านเรียกว่ากามหรือไปพาสุขที่เกิดจากอามิธอามิธก็คือว่าเป็นภวทุกเสพความสุขนี้านเรียกว่าการสุขหรือสามิสุขาาก็จะตาได้เห็นรูปที่สวยงามหูได้ยินเสียงที่ไพเราะจมูกได้ดมกลิ่นที่หอมแล้วก็ อะไรต่างๆวันนี้ทีนี้ความสุขประเภทนี้ที่ว่ามนุษย์ต้องการได้เสพบ่อยๆขึ้นทุีมันอยู่ที่นี่มนุษย์ด้ยพยายามแสวงหาสิ่งเสพส่วนในความสุขที่มีเป็นพื้นฐาน3อันเนี่ยบางทีมนุษย์ก็ลืมมันเลยแต่ที่จริงมันมีตลอดอยแล้วทีนี้อะไรจะเกิดขึ้น่อมามนุษย์ก็จะมามุ่งในการหาความสุขจาสิ่เสพหาสิ่งเสพที่มาพ่ัฒนาปรากฏว่าการพัฒนาความเจริญของมนุษย์ี่รกว่าสร้างอารยธรรมวัฒนธรรมต่างๆนั้นส่วนหนึ่งที่สคัญก็ค ซึ่งบางทีมันก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นส่วนที่เป็นความเจริญที่ดีที่แท้จริงที่เกือนคุณอชีวิตของมนุษย์อย่างมนุษย์จะอาศัยปัจจัย4่้องมีวัตถุการมีวัตถุนั้นมันก็หมายถึงว่าการเตือนุต่ชีวิตทาให้ชีวิตอยู่รอดไม่ขาดแคลนอาหารร่างกายได้แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ก็เรื่องมาจากอาหารด้วยในเวลาเดียวกันก็การเสพอาหารก็มุ่งดมุ่งชาติอร่อยอรอกคู่กันไปเนี่ยนะแต่องอันในบางทีมนุษ์แยกไม่ออกเมื่อแยกไม่ออกนี่บางทีจุดเด่นมันก็ไปอยู่ที่การเสพรส เป็นความเจริญด้านหนึ่งของสังคมมนุษย์เราในเศษฐกิจใช่ไก็เกิดการพัฒนาที่เรียกว่าด้านเศรษฐกิจขึ้นมาพัฒนาความพร้อมทางวัตถุทีนี้ความพร้อมทางวัตถุเรียกวัตถุมันเกิดหนนชีวิตหรืยกวัตถุสำหรับเสพให้อร่อยอร่อยนั่นก็มีความหมายสองอย่างในเวลาเดียวกันถ้ามองในแง่ของวัตถุเหล่านั้นเป็นสิ่งเกิดหนุชีวิตให้อยู่ได้ดีไม่เดือดร้อนจะได้เป็นปัจจัยจะได้เป็นเครื่องเกิหนุนในการไปทำสิ่งที่ดีงามต่อไปอย่างนี้เราก็เป็นปัจจัยใช่ไหทีนี้ถ้ามอในแง่ของการเป ก็จะมีปัญหาแทรกเข้ามาก็คือว่าหนึ่งแต่ละคนก็จะต้องแสวงหาให้กับตนให้มากที่สุดจะได้เสให้มากให้บ่อยนี่ให้ได้รสชาติในทางกามิสสุขและการการมิสุขหรือสามิสุขเนี่ยให้เต็มที่ก็จะเกิดปัญหาระหว่างการในการแย่งชิงการงันเบียดบีนแล้วก็มาปัจจุบันก็คือปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินี่พอไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นจากแต่ละคนพยายามแสวงหาออกมาเป็นภาพรสังคมที่ได้พัฒนาความเจริญมาที่นเศรษฐกิจแล้วเกิดเป็นอารยธรรมมนุษย์มีโลกของมนุษย์เจริญบ แะออยา่างก็ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นก็คือว่าธรรมชาติเป็นร่มสื่อเพราะว่าการที่มนุษย์จะหาสิงเสพแต่วัตถุให้มากนี่ก็คือต้องเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติก็ยิง่งคติตันตกมีความเชื่อว่ามนุษย์จะมีความสุข ส, ขสมบูรณ์เมื่อได้เอาชนะธรรมชาติด้วยมันก็ยิ่งมาย้ำมาซ้ำเติมเรื่องนี้ให้มากขึ้นก็คือว่าการที่จะต้องไปจัดการเอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบมาผลิตสิ่งบริโภคให้กันมนุษย์สนองความต้องการบนื่อความสุขก็ไปเป็นมาการผชิตธรรมชาติจัดการธรรมชาติในตามชอบใจ ด้านความสุขความรื่นโลมในฐ า, านะที่ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินีก็จะเริ่มสูญหายไปหรือมืมนุษย์ยิ่งไปแสวงหาสิ่งเสียบในทางวัตถุสิ่งผลิตบริโภคซึ่งแปรรูปธรรมชาติไปแล้วเนี่ยม um er น e ุษย์ก็มีวาวแปลกแยกจากธรรมชาติเกิดขึ้นพอมาถึงคปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามนุษย์ได้มีภาวะที่ีกว่แปลกแยกจากธรรมชาติเกิดขึ้นความแปลกแยกจากธรรมชาติก็คือการเข้าไม่ถึงกันความแปลกแยกทางด้านรูปธรรมก็คือว่าไม่ค่อยมีชีวิตทางธรรมชาติไม่ได้ใกล้ชิดบางคนที่อย แล้วก็อเช้าออกมาก็เข้ารถยนต์เป็นเทคโนโลยีเดินทางไปตามเข้ถนนตึกรามช่องก็เป็นสิ่งสร้างสรรค์ของมนุษย์แล้วก็ไปที่ทำงานท่องแอร์กตุวายกับสิ่งเสที่เป็นเทคโนโลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอะไรพวกนี้แล้วเสร็จแล้วแก็กลับมาบ้านก็ท้าองแอร์นอนไปวันๆหนึ่งไม่เจออธรรมชาติเลยนยหลายคนมัเป็นอย่างนี้นั่นก็ด้านหนึ่งกชีวิตตัวหาคืออยธรรมชาติะนั้นเขาก็ไม่ได้ภาพสุขภาพด้วยรวมถางธรรมชาติเป็นร่มที่เขาควรจะมีในฐานะชีวิตเขาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติความสุขของเขาก็ แปลรูปสนองความต้องการก็เท่ากับการทำลายธรรมชาติที่ก็น้อยลงถึงแม่ตัวเขาไม่ห่างก็จะมีธรรมชาติให้เขาได้มาสวยหาความรื่นลมน้อยลงด้วยเนะีนอกจากน้อยลงแล้วมันูอีกอย่นึ่ในสภาพที่เสื่อมโทรมอีกนะต้นไม้ที่เคยเขียวพันธอะไรต่า ง, งมันก็ไม่เหมือนเก่านะ ทิวทัศน์ที่เคยสวยงามก็ไม่สวยงามเต็มที่เหมือนเก่าอากาศที่แวดล้อมเขาก็สูดอากาศกไม่บริสุทธิ์แทนที่จสูดอากาศแล้วจะรู้สึกสดชื่นคนในเมืองสูดอากาศเข้าไปแล้วก็อึดัดใช่หมยิ่งคนน้แล้วก็ทำให้คนเป็นโรคแพ้นมากขึ้นสูดอากาศในเมืองก็สุดจัดเข้าไปไม่มีความสดชื่นอันนี้ในด้านอีกนะคามแตกแยกจากธรรมชาติตัวเองห่างธรรมชาติสองธรรมชาติที่จะมีให้ฤลก็มีปริมาณลดน้อยลงสมที่มีน้อยลงนั้นก็ยังแย่ด้วยอีกเสื่อมโทรในภาวะที่ไม่ดีดันั้นจากการที่มนุ ความสุขจากการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเล้อมในฐานะที่ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติที่จะต้องการความรื่นรมจากธรรมชาติเป็ล้อมนี่นั้นเขาลงทุนคุมไม่คมก็ต้องพิจารณาเวลานี้กลังมองว่าอาจจะไม่คุ้มนะตแง่ที่1 น, นะแล้วก็ความสุขจากธรรมชาติรื่นรมกการเสพบางทีมันมาคู่กันอย่างเช่นว่าเราไปเจอ ก, กระรอกตัวหนึ่งนะคน2คนจะมองกระรอกไม่เหมือนกันหรือแม้แต่คนเดียวกันคนละขนานะคนหนึ่งมองกระรอกด้วยสายตาที่เห็นมันน่ารักมันขยำขยื่นดูแล้วน่ารื่นรมอยู่ในธรรมชาติเป็ล้อมบรรยากาศ ท, ท แล้วมันเป็นมิพาะมันไม่ไกลวัวคนไม่เบียดเบียนมัน า, าไปในต่างประเทศเนี้ก็ยังมีหลายประเทศจะเป็นอินเดียก็ตามอเมริกาก็ตามใช่ไมมันเข้ามามันก็ไม่รู้สึกหวาดระแวงไฟแล้วคนก็มีความรู้สึกชอบมันมันก็อามายืน2ขาและขาหน้ามันก็เามามมมมมมุุิบากะคนไปชอบใจมันน่ารักสวยงามนี่คนก็ได้ความสุขจากการเห็นธรรมชาติเป็นรอบเนีนี้อีกคนหนึ่งมองการรอบด้วยการที่ว่าจะหาความสุขจาการเสพมันก็คือกินมันใช่คนนี้จะไม่รู้สึกได้ความสุขจากไอ อาการที่กระรอบมันดูท่าธรรมชาติสวยงามนะความสุ ข, ของแกคือจะต้องจัด ก, การเอากระรอนี้ไปลมกแกก่อนนะแล้วแกปนแล้วจึงจะได้ความสุขนสนเนี่ยสงคมเนี่ยความสุขต่าง ก, กันใช่อันนี้ก็ลองนึกดูกันลกันว่าความสุขแบบไหนนี่เป็นสิ่งที่สาคัญสหรับชีวิตมนุษย์นะแต่ว่าจาเป็นความจเป็ น, นการเป็นอยู่ทำให้อยู่รอดทาที่ก็ทำให้มนุษย์ต้องมาเบียดเบียนและทลายความสุขของตนเองในขั้น้นฐานจากการอยู่ร่วมกับธรรมชาตินี้แต่นี้ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักประมาณมันก็กลายเป็นว่าไปทาลายความสุขในแง่ของการเสียดเป็นสู ลกลงคิดดูกันลกันความสุขที่เกิดทันทีเมื่อเห็นกระรอกอยู่ท่ากลางธรรมชาติและวิจิตใจริตอมันก็พาสุขจากการที่ว่าจะต้องเอามันมาลงมกแกงแล้วก็ได้กินแล้วก็ได้อร่อยตอนเสร็จรถเรือกระรอตอนนี้จเจ้าอะไรใช่ไนี่ก็เรื่องของมนุษย์ก็เป็นอย่างเงี้ยในด้านที่หแล้วนะแต่ว่ามนุษย์ปัจจุบันนี้ในเรเราเน้นในการแสวงหาความสุขจากสิ่งเสร็จบำรุตาหูเมือลิ้นตายดังนั้นเราก็เริ่มแปลกแยกเดืธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็โอกา ส, สากกากที่จะได้ความสุขจาก อันนี้ยิ่งมนุษย์แสงหาความสุขกการเสร็จมากขึ้นมันก็ยิ่งผลักดันให้มนุษย์ตงแตกแยกจากธรรมชาติมากขึ้นด้วยพร้อมกันนะทีนี้เอามาแรงที่สองหความสุขของมนุษย์คืออะไรแรงที่องห่ความสุขของมนุษย์ก็บอกแล้วก็คือสังคมมนุษย์ียกันก็คือเพื่อนมนุษย์การอยู่ร่วมอันนี้ถ้ามนุษย์อยู่ร่วมกับมนุษย์มีความสุขก็ต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ต่อกันยิ่งมีจิตใจก็เื่อเือแผเทือดก็หนุนแต่ก็ยิ่งมีความสุขมีความสุขจากการบ แต่ความสุข ก, การอยู่ร่วมกันก็หนุนกันนันเป็นความสุขร่วมกันของทั้งสฝ่ายทีนี้พอมาเอาสุขเจ็บเสพมันเป็นเรื่องแต่ละคนแต่ละคนต้องหาให้ได้มากมันก็จะมีการที่ว่าถ้าคนนึงได้คนนึงเสียความสุขของคนหนึ่งเป็นความทุกข์ของอีกคนนึงแล้วเมื่อมันต้องการไอ้วัตถุเสพมันไม่ได้มีพร้พรอมมันมีจับมันก็จะต้องเกิดการที่เอาแล้วก็แย่งชิงก็ได้เกิดปัญหาการถดแย้งจะการเป็นมิก็เป็นศิษยูไปด ก, การช่รเหลือก ก, ก, กัเป็นทำร้ายไปการเบียดเบียนก มีความไม่สบายมีความบาดรัวเนต่อกรารพอเจอคนด้วไม่วจทีนี้พอแยกกันมากๆต่อมามันเพ่งไปที่วัตถุมันต้เต็มในความบาดระแวงต่อนมนุษย์พอมนุษย์เข้าสู่ระบบการแข่งขันเร่งชิงหาได้ผลประโยชน์นี้จิตใจมาดูการได้วัตถุได้สิ่งเสพเพ่งจ้องไปที่นั้นพอมีท่าทีของจิตใจเน้นที่วัตถุปาหมาอยู่ที่วัตถุความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์นี่มันก็จะมาสอดค้องกับท่าทีต่อวัตถุ ถ้าทีต่อว่าถูจ้องจะเอามากขึ้นถ้าทีต่อเพือนมนุษย์แบบบาดระแวงกลัวเขาจะเอาด้วยก็เกิดเพิ่มมากขึ้นนั้นจิตใจก็จะมีความรู้สึกที่หลูกฟังล่อหลอมไปตามสภาพสังคมที่เคยแต่จะคิดจะได้จะเอาเจะแย่งชิงจะปลุกเขาได้จะเอาชนะมันก็เลยมีความรู้สึกต่อเพือนมนุษย์แบบบาดระแวงเป็นผู้แพ่งมีความรู้สึกไม่จริงใจแล้วก็ต่อมาก็หาทางเขาเพื่อนมนุษย์เป็นเครื่องมือในการให้ตนได้ผลประโยชน์เมาเพื่อนมนุษย์เป็นเพียงสะพานที่ตนจะได้สิ่งเสียได้ผลประโยชน์ความจริงใจไม่มีความ แล้วเขาก็แตกแยกจากพื่อนมนุษย์แตนี่เพราความรู้สึกเป็นมิตรรีไม่มีความจริงใจไม่มีเนี่ยมันรู้สึกตวัดระแวงเขาจะเอาเขาจะได้เราจะสู้เขได้หรือเปล่าตกลงมนุษย์อยู่รวมกันด้วยความรู้สึกแลกแยกกันหมดเลยนะแล้วยิ่งเขาตั้งวัตถุเสรเป็นป้ามาชีวิตยิ่งทะยานหาสิ่งเสร็เท่าไรความแตกแยกจากเพื่อนมนุษย์ก็ยิ่งมากเท่านั้นใช่ไหมการที่เขาจะมีความสุขการรวมสั ม, มนุษย์ก็น้อยลงเป็นสิ่งฉับววยผิวเผินเท่านั้นเองไม่จริงจังนะเพราะนั้นการได้มาด้านหนึ่งก็คือความสูญ นี่ต่อไปแรงที่สเป็นความสุขพื้นฐานของมนุษย์ชีวิตมันเป็นอยู่บอกลอยู่กิจกรรมแชีวิตแต่ละขณะที่ทาอะไรกทำไปซื่อโดยต้องการสนองความต้องการโดยปกติถ้าไม่ต้องการอะไรก็หมายทำใช่ไหมทีนี้ต้องการวัตถุประสงค์อะไรนะอยากจะขุดดินก็เพราะวาใจมีวัตถุประสงค์ต้องการได้หลุมแล้วไปขุดดินขุดดินก็มีความสุขจะไปทำอะไรก็ตามมันมีความต้องการมีจุดหมายมันมีความสุขในการกระทำทีนี้พอมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแล้วทีนี้มีความปรารถนาเรื่องสิ่งเสพมีความฝ่ายเสพมากขึ้นว ติดอยู่ในกฎสมมติของมนุษย์นี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆยกตัวอย่างนี้นะเดี๋ยวรคนทำสวนยกแลยกบผิดนะที่ว่าคนแต่ก่อนนี้แกจะไปทำสวนปลูต้นไม้เพราะแกต้องการต้นไม้ถูกไหม ก็ต่าต้นไม้แกมันงันไม่ไปทำทำก็คงจะขำหรือเกินเลยนะมนุษย์อยู่ตามธรรมชาติอยู่ไม่ได้ต้องการอะไไปทํกเป็นเรื่องน่าขำนี้มนุษย์แต่ตอนนี้อยากจะได้ต้นไม้แกก็ไปปลูกต้นไม้ไปปลูกต้นไม้สนองความต้อการแกเวลาแกปลูกก็มีความสุขจะไปต้นน้ำพรวนดินทุกวันจะไปคอยดูต้นไม้มันงามไม่งามจะไปเห็นมันไม่งามก็แกก็หาทางทำให้มันงามมัรงามขึ้นมาแกก็มีความสุขมีความสุขากการทำของแกเพามันตงเป็นพุ่มไม้นี่เป็นกิจกรรมตามธรรมชาติทีนี้พอมนุษย์เจร ไม่มีเวลาแล้วก็มันก็ไม่ได้ผลดีมนุษย์ต้องแบ่งงานแต่ทำเอาล้นะคนนี้ไปทำงานคนนู้ไปทำงานนี้การทําสวนดุลย์น้อยก็ให้เป็นหน้าที่ให้คนส่วนหนึ่งมาทำแต่เพื่อช่วยให้เขาไม่ต้องไปห่วงกังวลนความเป็นอยู่คุณตั้งใจมาทําสวนอย่างเดียวนะแล้วก็คุณไม่ต้องห่วงฉันจะจัดสรรอาหารปัจจัยสให้คุณอยู่ได้โดยให้มาเป็นเงินเดือนให้เงินเดือนแล้วคุณก็ไม่ต้องไปห่ว ง, งวลแลวตั้งใจทำสวนไปนะทีนี้ อนนี th ้มันเกิดเป็นกฎขึ้นมาใหม่เดิมเราว่าการปลูกต้นไม้ทาสวนเป็นเหตุก็ได้ต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลนั่นนี่คือผลที่ต้องการตามกฎธรรมชาติซึ่งเป็นความจริงแน่นอนการทสวนเป็ให้ต้นไม้เจริญงอกทีนี้ก็มีกฎมนุษย์สามาในอารยธรรมมนุษย์ที่แงงานทมาสนับสนุนกฎธรรมชาติจะให้ได้ต้นไม้งามกันอย่างจริงจังมีคนที่มาตั้งใจทำก็เลยตั้งกฎสมมติขึ้นมาให้มีคนมาทาสวนแล้วก็การทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลใช่ไหมก็ได้กฎมนุ สั่งร่วมกันมติก็คือมติมติกข้อตกลงการยอมรับการรู้และการสั่งร่วมกันก็หมายการร่วมการยอมรับร่วมกันตกลงรกันตกลงกันว่าคุณทําสนไปแล้วฉันจะให้เงินเดือนห้าพบาทกฎนีเรียกว่ากฎสมมติคือเกิจากการยอมรับร่วมกันาถ้าไม่มีสมมติแล้วกฎนี้มันเป็นกฎถ้าไม่มีการยอมรับร่วมันปับกฎนี้หาทันทีใช่ไหมและกฎสมมตินี่สำคัญมากทำให้มนุษย์จารึได้สมมตินี่คนไปดูถุมันคนไทยเข้าใจผิดว่าสมมติมันจริงมันจังหรือไหลคือันไหไม่ไล นี่มนุษย์อยู่นสังคมได้เพราะมีสมมติาเก่งความสามารถของมนุษย์สังคมมนุษย์ที่แะมีอาามานีก็ด้วยอาศัยสมมตินี่แหละเพราะมนุษย์มีปัญญารู้จักมาตั้งกำหนดกฎเกณฑ์เปนการยอมรับตกลงร่วมกันในสังคมเพื่อจะให้กิจการต่างๆเป็นไปแล้วให้สมรรผลตามความรู้เข้าใจกฎธรรมชาติพระมนุษย์รู้กฎธรรมชาติว่าสวนต้นไม้แต่อกงานได้เพะต้องมีคนคอยดูแลปุแต่งมันเพราะมันเกิดเหตุปัจจัยมนุษย์ถ้ไปทำเหตุปัจจัยนั้ช่วยมันนีเราก็เลยตั้งกฎสมมติขึ้นมาว่าเพ ให้เงินเดือนคนซะไม่ให้เขาเป็นห่วงลูกเป็นอยู่แล้วเขาจะได้มาตั้งใจทำเต็มที่นั่นกฎสมมติของมนุษย์เกิดขึ้นว่าทาสวนเดือนได้เงินเดือนาบาทก็เพื่อมุหนุนกดธรรมชาติจะได้มีคนทสวนแล้วทำให้ต้นไ้เิ อ, อกาใช่นี่เป็นความลดของมนุษย์แต่ความฉลาดของมนุษย์นี่ถ้ามนุษย์เพลินก็ไปหลงสมมติเลยหา่หางหาัวนหา่างลืมทอดทิ้งมองข้าความจรงิงตั้งเดิมคือความต้องการผลจากกธรรมชาติตอนนี้เชื่อมโยงไม่ถึงติดอยู่แค่กสมมติว่าทำสว น, 5, ไไ น, ห, สนหนึ่งเดือนได้เงินเดือนห แ่กับกฎธรรมชาติตอนนี no like like way, like ้อันแปลธรรมชาติเมื่อกี้เราพูดทีแล้วตอนนี้แกแยกกฎธรรมชาติเลยแป่แยกกับตัวธรรมะแแยกกับตัวความจริงที่แท้งสิ่งทั้งหลายอนีแกก็ไปลงติดสมติทนี่แกทศูนเดนพื่อต้องการินดอนอย่างเดียวแกมได้คิดต้องการให้ตมาเจริญงาพอแกลืมกฎธรรมชาติแกแแยกกฎธรรมชาติแปแยกาตัวธรรมแปลกแยกจากตัวความจริงแกทำศูนยไม่ีความสุขเลยทีนีใช่ไหมเพราะกิจกรรมแนชีวิตขรงแกนี่แมามุ่งหมายผมที่มันไม่ตรงตามความเป็นจริงกิจกรรมของแกนี่มันเป็นก เงินเดือนบาทนี่มันไม่มีความจริงในกฎธรรมชาติรอรับมันเป็นกฎสมมติที่ยอมรับมีที่ไหนวะไปทูนแล้วเงินมันเกิดขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ใช่มอันนี้มนุษย์นึกว่าเป็นความจริงก็จริงเพายอมรับหลงกันั่นเองอันนี้พอไปติดอันนี้แล้วแกก็แก แ, กแยกจากกฎธรรมชาติก็คือแปลแยกจากกิจกรรม่ชีวิตของแกเอง ท, ง, ทงทั้งทำรรั้ทยยี่แนตะ่แกกำลังทำกิจกรรมคือการทำศูนย์อยู่เนี่ยจิตใจแกไม่อยู่กับกิจกรรมแหชีวิตแกจิตใจแกไปอยู่การผูกหมายเงินตอบแทนนั่นแกก็ไม่มีความสุขในการทากิจกรรมน นั้นกิจกรรมในชีวิตของเขแทนที่จะนำมาสึ่งความสุขก็นมาสร้งความพุ่งความทรมาใจนี่เรียกว่าแตกแยกกิจกรรมในชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นมนสมัยนีย้ที่จะเรีนอารยธรรมเนี่ยจะทอะไรแต่อะไรทีทร่ตัวเอง ไ, ไม่ร่้จะทำไปทำไมและไม่เคยคิดว่าที่ทนีเพราะอะไรเพราะมันเป็นความชานาญพิเศษของมนุษย์ที่มาจารรับสังคมแบ่งงานกันทำท่านไอ้ที่ทำอยู่ไม่รู้ทำเบื่ออะไรใช่ามจริงหมสมัยนีคนทำงานตางกนไม่รู้ว่าไอ้กิจกรรมที่ตัวทำเนี่ยผลที่แท้ที่ต้องการตามกธรรมชาติคืออะไรถ้าแต่ว่าทำนึกว่าทำคือมันด ได้ผลโดดอะไรนั้นเป็นผลแห่งเหตุผลจริงนะซจริงมันไม่มีในธรรมชาติเลยไม่เป็นความจริงแท้ไม่เป็นตัวธรรมะก็เป็นลงสมมตินัโลกมนุษย์ปัจจุบันก็อาจจะรินอารยธรรมจริงแต่ปัญญาที่แท้นีกำลังจะหายไปคือไม่รู้ตัวธรรมะไม่รู้ตัวความจริงที่แท้ตามกฎธรรมชาติในที่สุดกิจกรรมชีวิตก็เลยแตกแยกไปแตกแยกจากความจริงอกฎธรรมชาติก็คือตัวเองนั่นเลยแตกแยกจากกิจกรรมชีวิตของตัวเองใจไม่อยู่กับกิจกรรมใจไม่มีความสุขในการทำกิจกรรมนั้นนันแล้วเมื่อมนุษย์ยิ่งต้องการ หันมามุ่งหาความสุขจากสิ่งเสมาขึ้นนี่มันก็กลับเป็นในปัจจัยลูโซ่แต่กลับมาอีกใช่ไหมยิ่งหามันมากก็ยิ่งแกแยกมากยิ่งแตกแยกมากก็ยิ่งผลักดันให้ตัวเองต้องหาความสุขจากสิ่งเสริมให้มากเพราะมันเหลือช่องทางเดียวเพระนั้นมนุษย์ในยุคบริโภคนิยมนี่มีแนวโน้มมากที่จะมองวัตถุเสพเป็นจุดหมายของชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจกให้วัตถุร้ามพรอมีเป็นจุดหมายของสังคมเพื่อสนองความต้องการแต่ละบุคคลที่ว่าจะได้ต้องการได้สนองความต้องการเสริมให้มากที่สุ <Yeah. S 2> น ความเสื่อนคุณภาพชีวิตความเสื่อมโทรมของสังคมตลอดจนโลกที่ประกอบด้วยธรรมชาติระบบความสัมพันธ์ต่างๆเป็นในทางที่ไม่ดีไม่เกื้อกูหมดเลยอันนี้ก็คือเรื่องราวของมนุษย์ที่เป็นมาก็เป็นเรื่องที่คนมาพิจารณาดูอารยธรรมการสร้างสารรค์ของมนุษย์ด้วยว่ามนุษย์นี้ฉลาดจริงมีปัญญาหรือเปล่ปาหราือเป็นพวกที่น่าหัเราะเหอรอให้มนุษย์ทำไปทําไมมนุษย์เคยวิเคราะห์แยกแยะไหมที่ตัวสร้างความเจริญไหมแต่ว่าถูนี้ยูปแทงความดีเกณฑ์วัดความดีเกณฑ์วัดความเจริญที่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุดที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ตรงไหนใช่หมแม้นะแต่การแยกว่าวัตถุเสพเหล่านั้นที่สร้างมานี้เป็นัจเพือหุชีวิตการที่ว่ามันเป็นจุดหมายของชีวิตนี้ก็แยกไม่ออก ม, มนุษย์มีชีวิตเพื่ออะไรถ้าเขาถ้าเขาไม่สามารถแยกอันนี้ได้ไม่สามารถเข้าใจอันนี้ได้ชีวิตของเขาก็ดำเนินไปถูกต้องสังคมก็ไม่สามารถจะบริหารหรือแม้แต่เป็นนักปกครองนักการเมืองก็ไม่สามารถจะบริหารบ้านเมืองสังคมนี้ให้ไปสู่ภาดีงามและสันติสุขได้ไม่เข้าใจเรื่องพื้นฐานนี้อันนี้เรื่องของมนุษย์ เกิดมาแล้วก็หนึ่งดูธาบธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในฐานะชีวิต2ก็เป็นบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่ในสังคมสก็มีกิจกรรมการขึ้นหน่อยเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เป็นไปในชีวิตแต่ละขณะแต่ละเวลาซึ่งเป็นแหล่งสาคัญพื้นฐานแห่งความสุขของเขาแล้วก็มีความสุขจากการเสพมาเป็นตัวแซกเสริมเติมทําให้ตื่นเต้นแล้วจิตใจมนุษย์ก็มาโน้มเอียงมาและพุ่งไปสู่การหาสิ่งเสริมขึ้นในที่สุดก็แตกแยกจากธรรมชาติขึ้นมนุษย์และกิจกรรมชีวิตเขาเองนะก็ถ้าเรามองว่านี่กการตลงงค่ไถู้ออืย ถ้ามนุษย์พัฒนาชีวิตและบริหารสังคมอย่างถูกต้องไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนอกจากแ่นี้นอกจากนีน้จังหวะหนึ่งเขาหน้าจะได้สิ่งเสพพอสมควรนะแล้วพขาดันนั้นเขาไม่แปลกแยกจากแหล่งพื้นฐานในความสุขของชีวิต ข, ของเขาสาประการคือธรรมชาติเพื่อมนุษย์และกิจกรรมในชีวิตนะอันนี้ต้องไม่ให้เสียสามอันนี้ต้องลงการเงอยู่แล้วเขาได้สิ่งเสพเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่ามันมีแค่นี้หรือธรรมดิษานักกล่าวว่าไม่ใช่มันมีเหนือกว่านี้ถ้ามนุษย์พัฒนาตัวเองนะเขาจะมีความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกหลายช่องทางและศาส่า ชีวิตของเขาเนี่ยจะขึ้นต่อวัตถุเสพภายนอกน้อยลงไปเรยในการที่จะมีความสุขนั้นนี่เราจะมาพัฒนากันยางไรก็เงว่าเอาไว้เป็นเรื่องที่จะพูดกต่อไปเพราะวันนี้เวลานี้ล่วงไปเยอแล้วนะเรื่องเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ที่บางทีชาวพุธเนี่ยกลับไปเลี่ยงไม่พูดเอาพูดเรื่องไม่ได้ไม่ได้ไม่มีแต่ทุกข์เอาพูดเรื่องทุกข์ครับเพราะฉะนั้นเขาก็้ความสุขชีวิตแล้วมันถึงสนกตีควแข็งริงงจริครับเพราะว่ามันไม่ คือยิ่งกระต้นริงเรายิ่งเสพมากนะต้องต่อมาก็คือว่าให้สิ่งเสพเท่าเดิมไม่ให้ความสุขาเก่าต้องเพิ่มปริมาณสิ่งเสพเพืให้ได้ความสุขเท่าเดิมถูกไหมเออไอตัวความสุขอาจจะเท่าเดิมแต่ปริมาณดีกีต้องเพิ่มีก ด, มดีกีใกใต้นเพิม่มอีกนี้ก็หมกุ้มเ ม, ม่าออะไรก็ไปกันใหญ่ครับแย่ด้วยล้วผมคิดถึ ง, งในการที่ทำประโนในางต่อเนื่งเคบางคนขาไม่เข้าใจว่ารือบางเนทพ่ประโยช์สัวเแาไม่เข้าใจการอนตราขงมันาล ไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นความรูปลงที่หวังประโยชน์ส่วนตัวใช่มันก็ทให้เกิดความแตกแยกนมนุษย์แล้วเาจะมาใจคนที่ทดีได้ไงใช่เาแตกแยกแล้วเด็กบอกแแ่ว่านี่มาลุกลาทให้เขาเสียประโยชน์ใช่สิ่งเขาจะไม่ได้เขาก็จึงโกรธเลยก็จิงมาแตกแยกจการแตกแยกันาทลายเลยตอนนี้ ความที่ผมคนาหลัง้คือมประชาชนที่ผมอยู่รวร่วมนะที่ความรู้สึกอย่างนระบมันมองว่าตัวเองนะุย่นี้ฐานะอย่างนี้ชาติมอย่างนี้รัฐาลอ่างนีเป็นงาที่เหกการเป็นาที่มีการคือไม่รู้ไอทีแทมมันมีเท่าไรสิงลไม่มีนอ่ามีระดับอย่างนี้นมีฐานะอย่างนี้มชาติอย่างนี้งานอีกเป็นงานที่มีันมาก็แปลงเป็นไรเขาไปทำกันการปิดในใช่เขาใช่เาแล่งยันี่ใช่ไถ้ามองไม่เห็น กติกาสังคมของมนุษย์ที่สมมติขึ้นความจริงแท้ตามกฎธรรมชาติมองไม่เห็นเลยเดยคนสมัสมสนี้แทบจะไม่มองถูกไหมไม่มองเขาไม่เข้าใจมันดกันได้ยงไาากที่สมมติเป็นกฎจริงแท้แล้วเขาทุกความเหตเ็นผลนี่ก็ทํางาน1เดือนได้เงินเดือนท่านี้นี่คือความจริงอ น, นีไม่รู้อ่ะนี่คือสมมติความฉลาดของมนุษย์ที่สมมติทั้อ่าเาเง้าเอ่นั่นเนี่ยมนสียฐานเลยนะฐานทางแล้วฐานทางแล้ดูไงอ่าเขาคนก็ทยาน กาะเกียวยุทธไอเนี่ยจะสิ่งเสียในถนัเองเือจะเอาไว้ให้ได้เกล่าวในเรืองอการไปย้นกับไสมัพการที่เขอกไปเรียกว่าที่จรงวาสามพงุตั้งต่ยคหนึงสมัยสามามพงงแล้วว่าหนึงาลมัครสเีกซึ่งเป็นสภานุนงอายุยี่สงเนี่ยคนัย้นที่ผมกล่าวนครบนจขึ้นแค่เพ่อเพอเนโครงในสามทเนี่ยซึ่งเป็นอีอ่นที่เกบพลอใจาัน้ได้าแล้วาิทเหนากร ก็ขอประกาศตนเป็นอุบาสกเนี่ยบางคนก็ขอบุญอะไรนี่นะเป็นายาไปแต่ว่ามันจะไม่มีจำนวนสถิติหรือลั่นมหาสตันอย่างนี้ยคถาทาถาอะไรนะเทวดาแสนโกรธโหได้บรรลุธรรมหรืออะไรอย่างเ้น่เนี่ยทาถาคือเั้นพราะว่ามีองค์สมมามเป็นอาหมาสมท่ทามั่า้อะไราาชี้แงแสดงควา่บอกสานวิธีการแล้วก็ธรรมที่ใ้อะกสอนด้วยนะก็เทให้คนมนรู้เยอะนสมัยระจุฬาเนี่ยตอนนี้อยู่คระดับหน้วก็อที่นเ เริ่มต้นถูกไหใช่มาเข้าสู่จุดเริ่มต้นเข้าสู่ทางมากมางเรต้องเข้าสู่ธรรมะที่เป็นปัจจัยสมาติทิฏว่าหรือไม่งั้นก็เข้ามาโดยตัวบุคนิมิตแห่งมกนี่ที่ผมพูแล้วถ้ามันเริ่มข้าจุดถูกมันก็มีทางไปทีนี้เราทงานจะให้าปัจจัยสมาติทิฏก็เป็นายานิทย์ช่วยให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้ปรัตตุโคษาที่ดีแล้ก็กระตุ้นให้ความรู้จากคิดของเขาขึ้นมาหรือไม่งั้นก็ให้เขามีไอ้ตัวเตัวน่ะบุคคลนิมิตแห่งมากใช่ไหมให้เขาได้นั้น จากสังคมที่พัฒนากันมาในขนาดที่ตะวันตกยังวิ่งไล่ล่าสัตว์อยู่ใช่ยังเันบาเบรินะไอทางอินเดียทางจีนจะรู้แลวนี่ตอนนั้นวิทยาธรรรของอินเดียนี่ก็ตั้งแต่รุ่มน้ำสิทปุมาพวกโมหินจิดารอะไรพวกนี้นะันนีก็เจริญพวกอา่อมากก็เจริญกันใหญ่าลงทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นมีการบริหารมีการปกครองมีการยิ่งชิงดินแดนในเวลาเดียวกันการใช้อำนาจเขามากซับเขมากการส่งหาความสุขจากว่าถูเสพเรื่อมากขึ้นคนลุ่มหลงมเมคนพวกหนึ่งก็เบื่อหน่ายเลยเอา เิมพูนมเมาใช่ไหมแล้วก็ผูึงก็ดหนายก็พระเจ้า ก, ก็มาเห็นได้มันยังไงชีวิตยังไงมันจะนดีไปทดลองกับเขาไปเสาะหาความรู้บอกไม่ถูกทั้งคู่เป็นที่สุดส อ, อย่างแล้วก็เสาหาทางหปัญญาได้มาชมาปฏิติรา ม, มาประกาศใช่อันนี้ในสังคมสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเกิดท่ากลางสังคมที่มันสู่กระแส ข, ของกัตธุนิยมไปเยอะเยเหมือนกันแล้วก็พยายามมาแก้ไขมาชี้แจงเพื่อ น, นำเข้าสู่แนวทางมัชฌิมาปฏิปทาทาง่มีองค์ประที่ททถูกต้อง ได้คนมาจำนวนหนึ่งใช่มก็พัฒนาจเจริญ ม, มาพุทธเจา้าเป็นจุดเริ่มต้นให้หลังพุทธการและพุทธศาสนาเจริญต่อมาแต่ในเวลาเดียวกันพวกสังคมก็เป็นสังคมของมนุษย์นี่แหละที่ส่วนหนึ่งมันก็ยุ่งอยู่มันก็ขากันไปมันก็แย่งกัดไปใช่ไหยแม้แต่กษัตริย์อาชา ร, ร์กัตริยรูก็ยังากเหาะถูกไหมเออมันก็ยังมีเรื่องเปลียนแปลงเลยทางมาคตรย์ยกทัพไปตีวัดชีเนอร์ลกานกันอะไรต่างๆแล้วพระเจ้าจัทร์ตัดโชติพระเจ้าอุเทนและวมันพูดไปหมดใช่ไหมเออน ก็สำคสคัมีความแข็งแรงากกรตุนในสังรที่จะเป็นตัวแทนจะเป็นตัว่ามผยแ่้ามาม อ, อ, อันนีนน้เรียกว่าสังคมขัดกันยานามิต <S S S 1> เพราะว่าตัวกัยานามิตมันไม่มีคุณสมบัติหรือว่ามันไม่สามารถหรือพูดอีกใงอีกในหนึงก็คือสังคมไม่สามารถพัฒนากัยานาิมิต้มาไม่มีก็เอานะมันก็เป็นปัญหาของมนุษย์แต่ว่าทางไหเราจะช่วยเท่าที่ทาได้ถ้าเราจับหลักให้ได้ก็มาปฏิบัติดาเนินตามแนวทางที่จะสร้างสรรค์สู่วัิมาปฏิปทาให้เป็นัุทธนที่ดีงามก